มิถุนายน2562นะครับก็อยู่กันประมาณ1ชั่วโมงนะครับไกลๆ1ชั่วโมงกับสาระดีๆในช่วงของดิจ i t a l Lifestyle นะครับคราวสลับผัดเปลี่ยนไปกับเพลงเพราะๆที่ทางสถานีเลือกมาให้ฟังกันนะครับก็วันนี้1ชั่วโมงมาพร้อมข้อมูลเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับข้ามาจอย 2,10 ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมก็ประมาณช่วงพรฤหัสหน้านะครับอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆเราก็จะได้เจอกันนะครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับแน่นอนพอเป็นคอมม่าจอยแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเอนเตอร์เทนความบันเทิงหรือความจอยในยุคดิจิทัลแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เกมแน่นอนนะครับเราจะได้เจอโอ้โหบรรดากองทัพเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับยกคลาเรตมาพร้อมโปรโมชั่นแรงแรงที่เชื่อว่าโอ้โหมันยั่วยวนน้ำลายนะฮะใครเห็นแล้วก็ต้องควักต่างหรือควักบัตรเครดิตซื้อเลยแน่นอนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมดีๆจาก บูต่างๆที่นำพวกเรื่องของการแข่งเกมเรื่องของอีสปอร์ตมาให้ได้สัมผัสกันนะครับและในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีตัวจอยอาร์เคดที่เป็นพื้นที่พิเศษนะครับที่นำเกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาให้ทุกคนได้ ร่วมสัมผัสกันนะครับเป็นความสดุกสนาที่เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆกับการเดินทางเพียงแต่เราต้องมาเจอกันเท่านั้นเองนะครับสามารถเดินทางกันง่ายๆโดยใช้รถไฟฟ้า BTS นะครับลงสถานีบางนาลงปุ๊บออกตรง Skywalk เดินมาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีก็ถึงหอ9899ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดงานคอมมาจอยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล ก็บอกว่ามีการเปิดตัว l i บ r a านะฮะสกุลเงินดิจิตอลจาก f a c e b o o นะฮะบุค่าคงที่ความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็มันมีผลกระทบยังไงกับทั่วโลกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวหรือช็อกโลกสำหรับการเปิดตัวที่ทำให้โลกต้องสะเทือนเมื่อทาง Facebook ประกาศเปิดตัว l ิบ r a นะฮะสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีของตัวเองชูลงเรื่องความคงที่ความปลอดภัยและเชื่อถือได้นะครับ ก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลกันหน่อยนะครับว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงรู้จักกับบิ t c o i n นมากกว่าคริปโตเคอเรนซี่สอีกนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัว Bitcoin ก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลชนิดหนึ่งซึ่งมีเขาเรียกว่ายังมีอีกหลายตระกูลหลายชนิดนะเองเช่น อีเทอรัมลเทียไลคอนหรือโอ้อเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งตัวบิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตัลยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกมันจึงกลายเป็นชื่อเรียกแทนของสกุลเงินดิจิตัลไปโดยประยายนะครับส่วนทำไมบิตคอยถึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอดนิยมมากนะก็ลองลองดูว่าเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีคำว่าเหมืองแร่ในตำนานนะ ก็คือไอ้ตัวสกุลเงินสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้มันมีจุดเด่นของเทคโนโลยีก็คือไม่มีส่วนกลางเข้ามาควบคุมคือปกติเนี่ยธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ย จะมีธนาคารเป็นตัวกลางคอยจัดการข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวโดยแลกกับค่าธรรมเนียมต่างราคากันไปแต่ว่าสกุลเงินดิจิทัลตัวนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่ต้องใช้การยืนยันตัวตนอะไรมากนักทําให้เกิดเป็นระบบธุรกรรมออนไลน์อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ไม่อยากฝากทุกอย่างไว้กับธนาคารนั้นเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใ น, ในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อดีกับกลายเป็นผลเสียเมื่อสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นช่องทางสําหรับการ ฟอกหนึ่ที่ดีเยี่ยมไปสะ ง, งนัตอีกทั้งนะฮะมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็ยังแกว่งไปแกว่งมาหาความแน่นอนไม่ได้เลยนะครับอย่างบิตคอยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0ืเหรียญแต่วันหนึ่งนะครับกลับตกมาเหลือเพียงแค่ 3,000 เหรียญจนเป็นที่มาของคําว่าเมืองแตกนะฮะภายในระยะเวลา2ปีเท่านั้นนะฮะที่เกิดเหตุการณ์นี้จากข้อเสียดังกล่าวนะครับทาง Facebook เลยมองว่าเป็นจุดแข็งของลิฟทรซึ่งเป็นสกุลเงินของ Facebook ด้วยการ ร่วมมือกับหน่วยงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่าง Visa m a s t e r c a ์ก PayPal, Uber Technology นะครับและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ Libra นะี่ยสามารถมีผู้ใช้ระดับพันล้านคนได้ไม่ใช่แค่ 5-6 ล้านคนแบบใน Bitcoin นะฮะเพราะว่ามีหน่วยงานระดับโลกรับรองและก็หน่วยงานเหล่านี้ก็มีระบบที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้หลายคนอยู่แล้วนะ และต่อไปก็จะเข้าถึงได้ง่ายยิ่งกว่าหลังมีไอ้ตัวลิฟ布拉ตัวนี้เข้ามาเนะีเพราะพูดง่ายๆว่าจากประเด็นที่เรื่องความน่าเชื่อถือตอนนี้ Facebook ก็แก้โดยการจับมือหน่วยงานที่เขามีความน่าเชื่อถือทางการเงินนั่นเองและทําไมหน่วยงานเหล่านี้ถึงกล้ารับรองนะะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากนะฮะก็เพราะว่าเงินเงินของ เฟซบุ๊กตัวนี้สามารถแปลงเป็นสกุลเงินดั้งเดิมตามอัตราแลกเปลี่ยนหรือก็คือมันมีเงินจริงมาค้ำประกันอยู่นั่นเองไม่เหมือนกับบิตคอยนะฮะที่ไม่มีอะไรมาค้ำมูลค่าของมันเลยดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า Libra เนี่ยลิบราจะมีมูลค่าคงที่ตามอัตราแลกเปลี่ยนณนะขณะนั้นแน่นอนนะฮะทางนี้นะฮะทางนี้ Libra เนี่ยจะมีหน่วยงานอิสระ ที่ชื่อว่า Libra Association เป็นหน่วยงานที่เกิดจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายหน่วยงานร่วมกับ Visa m a s t e r c a r การ y p a l แล้วก็ Calibra นะฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Facebook ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสกุลเงิน l ิ b r a โดยเฉพาะนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะ m a s t e r าสเตการและเ a y p a l แม้จะดังและผู้ใช้เพียบแต่มันก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่อยู่ในบางประเทศได้ดีนักเช่นประเทศด้อยพัฒนาที่ประชาชนหลายคนหลายร้อยคนเนี่ย หืไม่หหลายคนหลายคนเนี่ยไม่สามารถยืนยันตัวตนกับธนาคารได้สะดวกแต่เชื่อไหมครับว่าคนเหล่านี้กับมีสมาร์ทโฟนกนเกือบทุกคนจุดนี้เองทาง Facebook จึงเอามาใช้เป็นประตูสู่การเชื่อมต่อโดยการใช้ลิ b r a ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกับบิ c คอ n เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางให้สามารถเข้าถึงธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นขอแค่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็แอปของแคลริบาร์ เ, เนี่ยเออทาไมเขาไม่ตั้งชื่อแอปกับตัวสกุลเงินให้มันเหมือนกัน แอป c a r i b a าคือไม้ตายของ Facebook อย่างแท้จริงเพราะว่ามันคือแอปหรือกระเป๋าเงินออนไลน์ที่เป็นว a l l e t ที่สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Messenger WhatsApp ได้ด้วยทางนี้นะครับ a จะเป็นแอปแยกต่างหากโดยใช้บัญชีแยกต่างหากกับบัญชี Facebook เลยไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งบัญชี Facebook บินเงินก็จะบินไปด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าความเป็นส่วนตัวกับคาถามหลายๆอย่างเนี่ยจะทาให้สกุลเงินตัวนี้สามารถที่จะ ติดท็อปหรือว่าเป็นสกุลเงินที่เราใช้กันเป็นงานหลักออหรือเป็นเงินหลักหรือเปล่าในโลกนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสกุลเงินใหม่ที่ Facebook เอามาเปิดตัวกันนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวยังไงพี่มิงจะเอามาถยอยเล่าให้ฟังในลําดับต่อไปนะครับมาดูที่ Google บ้างนะครับเขาบอกว่า Google เนี่ยจะหยุดพัฒนา P ิกเซลสแล็ Pixel Select ซนะฮะซึ่งเขาบอกว่าไอตัว Pixel s เซลลตัวเนี้ยมันมันเหมือนกับเป็น Tablet Chrome OS แล้วก็จะมุ่งมาพัฒนาตัว p i ก e l Book แทนนะครับเป็นยังไงก็ฮะก็ต้องบอกว่าดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเมื่อทาง Google จะไม่พัฒนา Pixel s เซลล e, นะเซลล์เว่า ร, นะรุ่นต่อไปแล้วนะฮะ ก็เข้าใจว่ามันไม่สักเซสก็คงต้องพับโปรเจกต์นี้แต่จะหันมาพุ่งพัฒนาตัว Pi กเซลบ o ๊กอย่างเดียวแต่ยังสนับสนุนไอตัวพิ xel s l เลดต่อไปนะครับจากรายงานของคอมพิวเตอร์เวิลดนะครับเผย Google เนี่ยจะไม่พัฒนาแท็บเล็ตของตัวเองต่อแล้วเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้สั่งยกเลิกแผนพัฒนาแท็บเล็ตรุ่นใหม่2ตัวนี้ที่มีขนาดเล็ก ก, กว่าตัว Pixel s l เลดอันเดิมนะฮะทั้งนั้นฮะทางนี้ทางนั้นเนี่ยลิช ออสเตโรสนะฮะรองประธานฝั่งฮาร์ดแวร์ของ Google เนี่ยเผยว่าแต่เหมือนเผยว่าอะไรเผยว่าทีมงานเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาตัวแล็บท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊ก p i x เ l b o o k เต็มกำลังก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ตลาด แท็บเล็ตมันไม่ค่อยจะบีแหละนะครไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็เริ่มจะถอยถอ ย, ถอยกันออกมาซึ่งหลายปีก่อนคงจําได้นะครับทุกคนบอกว่าแท็บเล็ตนี่แหละจะมาฆ่าโน้ตบุ๊กแต่จนถึงวันนี้นะครับโน้ตบุ๊กยังมีชีวิตอยู่นะแต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเองหรือว่าเน็ตบุ๊กเองเนี่ยก็ล้มหายตายจากพยัคตลาดกันเกือบหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งก o เกิลเองซึ่งน่าจะสามารถทําตรงนี้ได้สําเร็จนะครับก็ยังต้องถอยกลับมาพร้อมกับ มาผลักดันในส่วนของโน้ตบุ๊กอย่าง p i ก e l b o o k นะฮะออกมาให้เต็มกำลังแล้วก็ยังสนับสนุนการอัปเดตระบบของตัว Pi ก e l ลสลิต่อไปรว ม, มถึงแท็บเล็ตโอโค o โรของแบรนด์อื่นๆอย่างของ Asus และเนโหเลนโหนกต่อนะฮะสำหรับตัว p i ก e l s ส l e ดเนี่ยถือเป็นแท็บเล็ตุมพลังนะุมพลัง Chrome OS ที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน Made by Google 2018นะครับก็คือเมื่อปีก่อนหรืปีที่แล้วนะโดยเป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดต่อแยกได้อารมณ์เดียวกับ Surface หรือว่า iPad Pro แล้วก็สเปคระดับเดียวกับ PC โดยใช้ CPU ระดับสูงสุดถึง Intel Core i7 กันเลยนะครับแต่ก็สุดท้ายไม่ประสบความสำเมร็จอย่างที่คิดนะฮะเช่นเดียวกับ Pixel C แท็บเล็ตคุพลัง a n d r ร i d ตัวเกาะหน้านี้ก็ แปรเหมือนกันพูดยังไงว่าแปร ก, กันมา2องสเต็ปแล้ว Google ก <Google S 1> ็เลยตัดสินใจที่จะหยุดนะฮะดีกว่าที่จะดื้อทำไปแล้วก็เดี๋ยวจะขาดทุนไปมากกว่านี้ก็สุดท้ายก็ต้องมารอดูเหมือนกันว่าไอ้ตัว Pixel Book เนี่ยจะอยู่หรือจะไปนะฮะ บ, บางทีเราอยู่ในตลาดเขาเรียกว่าตลาด Google อยู่ในตลาดของตัวแพลตฟอร์มหรือพวกซอฟต์แวร์การที่จะคุณจะกระโดดลงมาที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอยู่ในพื้นที่ตัวเองให้แข็งแรงทําให้ดีที่สุด ไม่ต้องพยายามขยายมาที่อื่นอาจจะดีกว่านะก็ดูอย่างเคสของหลายๆเจ้าที่พยายามจะโดดลงมาอย่าง Microsoft เองเนี่ยที่ผลักดัน Surface ขึ้นมาซึ่งบางคนบอกว่าอุ้ยเซิร์ฟอย่างงุ้อย่างงี้แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเซิ Surface ก็ถือว่ามีตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าเทียบกับ iPad หรือว่า Notebook ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเก่งอะไรก็ทาตรงนั้นให้ดีที่สุดดีกว่าจะเป็นเป็ด น, นะฮะ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 ว่าเธอคือคนคนเดียวที่สำคัญเธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายเธอรู้ไหมว่าฉันมีคำคำหนึ่งในหัวใจเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาไม่กล้าบอกเธอฉันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร เจอหน้าเธอที่ไรมันพูดไม่ออกสักทีตอนที่คิดในใจมันง่ายกว่านี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงแค่คิดถึงคำนั้นใจมันก็เต้นรัวกลัวว่าเธอ ยังฉันได้เธอเคียนเก็บเอาไว้ใจความสงคัญรักแต่ไม่กล้าบอกว่ารักเธอรู้ไหม ้แต่คอยนับคืนนับวันอยากบอกความในใจของฉันให้เธอเข้าใจเธอรู้ไหมฉันเตรียมถอยคำดีๆไว้มากมายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสักที วันดีๆจะมีความหมายหากวันไร้ายได้ผลนผ่านอิอ่งเคยช้ำใจเท่าไรยิงรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนและจะร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 สรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University มาที่ข่าวเกี่ยวกับไวรัสหรือแรนติซมแวร์กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเพยสภาเมืองแห่งหนึ่งในฟลอริดาเนี่ยถึงกับต้องยอมจ่ายเงินค่าถ่ายกว่า18ล้านบาทอ น, นีบาทนะฮะไม่ใช่ดอลลาร์ให้กับแรนติมแวร์นะฮะ ปกติเรามักจะได้ยินคําแนะนําเกี่ยวกับแรนซ์ซอแวร์หรือว่าไวรัสเรียกค่าไถ่อยู่เสมอนะฮะหากใครโดนเล่นงานเมื่อไหร่อย่าไปจ่ายเงินให้เด็ดขาดนะครับอันนี้พี่มิงย้าเสมอเพราะว่าสิ่งต่อการทุกเบี้ยวไม่ปลดล็อกไฟให้ตามสัญญาแต่ก็เอานะมันบางทีงานก็สําคัญข้อมูลก็ต้องได้จะมายึดทิฐิมันก็ตัดสินใจยากนะฮะอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่มีรายงานว่าทางสภาเมืองแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเนี่ย ได้มีมติตกลงจ่ายค่าไถ่แก่ผู้พัฒนาแอนด์ซอฟแวร์โดยเป็นเงินสูงถึง6แสนเหรียญ น, นะฮะหรือประมาณ18ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นการรายงานข่าวจาก The Palm Beach p สต์นะครับสื่อท้องถิ่นของรัฐฟลอริดารายงานว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในตอนใต้ของรัฐฟลอริดาแต่ไม่เปิดเผยนะ แถวเวสต์ปรามบีแมบอกขนาดนี้ค <c oughs> งตึองออกนะเป็นเมืองไหนถูกไวรัสเรียกค่าไถ่เล่นงานโดยสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่กรมตํารวจนายหนึ่งได้เผลอเปิดอีเมลที่แนบไฟล์แลนซัมแวร์มาด้วยส่งผลให้ระบบไอทีของเมืองล้มเหลวทันทีทั้งเว็บไซต์ของเมืองระบบการเงินกระทั่งระบบสายด่วน911นะะี่ยเบอร์เลขตํารวจของสหรัฐเนะี่ยถูกบล็อกไปด้วยโอ้โหเหมือนหนังที่เคยดูเลยนะสมัยหนึ่งที่พี่วินเคยดูหนังแอนิเมชของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องอย่างนี้เลยเนะี่ยโดนล็อกปุ๊บ ล็อกกันทั้งเมืองเลยจากนั้นนะครับวันที่3มิถุนายนเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ควักเงิน9 900,000 41,000 เหรียญหรือประมาณ29 000, ล้านบาทซื้อคอมตั้งโต๊ะใหม่310เครื่องและก็โน้ตบุ๊กอีก90เครื่องเพื่อสร้างระบบไอทีใหม่ยกชุดกันเลยอย่างไรก็ตามนะครับไฟล์สำคัญของเมืองก็ยังถูกไวรัสเรียกค่าไถ่ล็อกเอาไว้ และก็ไม่ได้มีการสำรองฝ่ายเกาะหน้าด้วยนะฮะทำให้สภาเมืองได้มีมติผู้งยวัดยอมตกลงปรงใจที่จะจ่ายเงินผ่านบิตคอยเป็นจำนวนเงิน65บิตคอยหรือประมาณ 5,92,000 เหรียญให้กับผู้พัฒนาแลนซัมแวร์อย่างไม่มีทางเลือกนะครับเหตุการณ์นี้อาจจะเรียกได้ว่าจนปัญญา เพราะว่าทางสภาเมืองในตอนนั้นคงมืดแปดด้านแล้วจริงเพราะว่าฝ่ายที่โดนจับเรียกค่าไถ่เป็นฝ่ายสำคัญของระบบเมืองแถมเ็วร้ายถึงขนาดโทรเบอร์911ไม่ได้โอ้วินาทีนั้นคงต้องรีบแก้ไขสถานการณ์โดยด่วนนะฮะโดยการยอมจ่ายเงินเพราะว่าถ้าจะลีลาโม่ตยื้อไปยื้อมาสุดท้ายอาจจะได้รับผลเสียมากกว่าเหมือนกับชัยชนะที่ได้กลับมานะฮะก็ บางทีมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือน ก, นกันกับการตัดสินใจของผู้บริหารก็เข้าใจครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ใช้งานพวกข้อมูลไม่ได้เนี่ยอาจจะสําคัญมากกว่านั่นเองครับวันนี้เนะี่ยฮะวันนี้ก็ได้พูดคุยกันตอนประชุมที่บริษัทนะครพอดีวันนี้มีประชุมก็เลยได้พูดคุยถึงเรื่องของการชาร์จแบตเพราะว่าเราก็มาคุยกันประเด็นว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปไหนเนี่ยนอกจากสมาร์ทโฟนที่ถือไปแล้วเนี่ยเรายังต้องมี power bank อย่างที่มิง เ, งเองวันนี้ประชุมไปไปสักสายสาย น, นีย่ด้วยความที่ระหว่างประชุมเราก็เช็คงานโทรศัพท์เข้าออกไปด้วยมันก็ใช้เครื่องไปด้วยแบตบมันก็หมดเราก็ต้องมีการชาร์จถ้าไม่มี power bank นี้ลำบากเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า 4,000 ม ah, ิลลิแอมป์นะฮะเต็มภายใน13นาที vivo dream s h o super flash c h a r 120วัตต์เร็วๆนี้นะครับ ในเมื่อเขาบอกในเมื่อเพิ่มความจุของแบตให้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นแบบอินเนอร์ไ8เซอร์ก็มาลุยเรื่องของการชาร์จไฟดีกว่าหรือเรียกกันติดปากว่าฟาสชาร์จจิ้งอย่างที่ผ่านมาฮะฟาสชาร์จจิ้งระดับ3 0วัตต์จากวัน p l u s กับ4 0วัตต์จาก h u a ว e i แล้วก็ซ u เปอร์วีโอโจาก Oppo เนี่ย ก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การชาร์จมัดเร็วขึ้นนะครับล่าสุด vivo ประกาศเตรียมเปิดตัว Super Fast c ชาร์จระดับ120พูดง่ายว่าที่เร็วแล้วเนี่ยอันนี้คงโคตรเร็วขึ้นไปอีกนะฮะพร้อมกับชูการชาร์จไวระดับ5นาทีสามารถชาร์จแบตขนาด 4,000 ม ah ิลลิแอมปได้ 50% หรือชาร์จได้เต็ม 100% ภายในเวลาเพียง13นาทีเท่านั้น โอ้โหอะไรมันจะพระเจ้าจอขาดขณะนั้นนะฮะสำหรับรายละเอียดที่เหลือทาง vivo ก็เผยจะประกาศเปิดตัว super flash charge 120วัตต์อย่างเป็นทางการภายในงาน max uh, M อะไรนะ Mobile World c o n ลเลจเซิ่งไฮ2019ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายนนี้ก็คือภายในวิกนี้นะก็ต้องมารอดูว่า Vivo เนี่ยจะนำไอ้ตัวชาร์จไวระดับตัวเนี้ยไปใส่ในสมาร์ทโฟน 5G ตัวไหนเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้อย่างที่บอกว่านอกจากสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีตัว power bank แต่ถ้าจะดีกว่า เวลาแบตแบตมันหมดในสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จได้เร็วเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าเราเคยฝันใช่ไหมเสียบปุ๊บเต็มเลยเนี่ยแต่มันก็อันตรายนะเพราะว่าระบบฝ่ายที่ยิ่งเร็วยิ่งแรงมันก็มีความอันตรายเพราะว่าแบตเตอรี่ก็คล้ายๆถ้าเทียบจริงๆมันก็เหมือนเป็นระเบิดลูกย่อมๆนะมันก็เหมือนกับกรณีที่ซัมซุงเคยพยายามทําให้โน้ตตัวหนึ่งที่ แบบอย่าให้มันชาร์จได้เร็วให้มันมีแบตความจุมากขึ้นและสุดท้ายมันก็เกิดเป็นอันตรายกับผู้ใช้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับนะก็เขาเรียกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันยังไงในฐานะผู้ใช้เองก็ต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ให้มากที่สุดนะครับอ่ะพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวช่วงเบรกต่อไปนะครับจะมา พูดถึงตัวคอมพิวเตอร์คิดทัชแท็บเล็ต DIY เพื่อการเรียนรู้ถอดประกอบโมดูลเองได้ด้วยสวนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวฟังกันเบรกต่อไปครับรายการคอ m ทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เเดียวดายเคยอ้างวางเดินลำพังจนท้อใจผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในย อ, อมแ้นกอหุ่นใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอ mm hmm. เธอมาปิดคำว่างเงา ฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เธอดีเปลี่ยนในท้องฟ้าที่มืดมนค่อยคสอยสดใสเกินกว่าคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เค้าให้กัน มันเป็นอย่างนี้เองแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองตั้งแต่วินาทีนั้นมาทุกๆอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอน้อแล้วชีวิตได้เปลี่ยนไปมันยิงทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่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 เรื่องราวที่ทำไม่ต้องพูดคำว่ารักเลยสักคำฉันก็ได้ยินเกินัว่าคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอ ได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้เองแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองตึงแต่วินาทีานั้นมาทุกทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอ มันยังทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเจอเท่านั้น oh, oh, oh, oh. รักแธ้แปลว่าเธอ ใจเลือเกินขอร้องให้เธออย่ามานช่วยรักษาใจพี่จ พี่รักในจังหวัด น, นี้รักษากายใจให้พี่ถึงสองท้อเแล้วผู้หญิงที่กรุงเทพจะว่าไงเธอเหล่านั้นจิตใจสู่น้องไม่ได้เขาสวยกันจังพี่จ๋าเพระันอย่ากำลัหน้าอย่าไปสนใจ ความงามจริงๆต้องออกจากข้างในเมื่อหลงควันและสุดมากมายพี่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ปู่ยิงที่กลุ่มเทพก็อันตรายวก็พวกเธอล้ายใจหัวใจพี่เองก็มันแต่มาเจอเธอเทนะ่านั้น ฉันสุดใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่ามาช่วยรักษาใจพี่จะาคามูดจริงน้อง ก, ก็ง้องรักได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนาน มากมายพี่สุดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภุมแพ้ปูหญิงที่กลุ่มแทบก็ ride, อันตรายเพราะพวกเธอล้ายใจหัวใจพี่เองก็แพเมันแต่มาเจอเธอเธอนั้นฉันสุดใจเลือเกิดขอรอให้เธออย่ามานช่วยรักษาใจพจ ปริ้นติ้งแอนด์ i พ n t เกจิ่งยังดีไซเนอร d e s i ต n e ส2น19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 สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University มาที่ข่าวการเปิดตัวของ cano computer kid touch นะฮะเขาบอกว่าเป็นแท็บเล็ต DIY เพื่อการเรียนรู้ทอดประกอบโมดูลเองได้นะครับก่อนหน้านี้ cano นะฮะเคยเปิดตัวคอมพิวเตอร์ จิวสามารถประกอบและก็เขียนโค้ดเองได้โดยใช้ฐานจาก Lashbury ร์รพายเข้ามาช่วยล่าสุดนะครับเล่นใหญ่กว่าเดิมเปิดตัว Kano c คอมพิว r ตอร์ o u c h t a แ l e บเ DIY เพื่อการเรียนรู้โดยร่วมมือกับ Microsoft พัฒนาเป็นแ a b บ e t PC พสำหรับเด็กที่สามารถแยกส่วนหรือว่าประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับโดยที่เขาบอกว่าตัวเครื่องของ k a น o c คอม u t e r Kit Touch เนี่ยจะมาพร้อมกับสเปกอินเอตอม X5 Z8350 นะครับความเร็ว 1.44 กิกะเฮิรตซ์กับแรม4กิกะไบต์แล้วก็ ROM ขนาด64กิกะไบต์พร้อมกับ Windows 10 S Mode แท้ในตัวส่วนหน้าจอนะครับมีขนาด 11.6 ซึ่งอันนี้เขายังไม่เผยความละเอียดมาให้นะครับเป็นจอสัมผัสซึ่งตัวจอเนี่ยก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมามากมายอาทิ HDMI USB 2.0 speed 1นะฮะแล้วก็ USB 3.0 นะฮะ รูเสียบหูฟัง 3.5 ม m mm, มช่องไมโคร S D แล้วก็ช่องต่อไฟเลี้ยงนะฮะส่วนที่ถอดประกอบได้นั้นนะครับก็มีส่วนที่เป็นแบตเชื่อมต่อผ่านสาย U S B Type C ส่วนลำโพงนะฮะเชื่อมต่อผ่านรูเสียบหูฟัง 3.5 ม m mm, มสุดท้ายคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อผ่านขั้วทองแดง ให้อารมณ์เดียวกับ Surface Go กันเลยนะฮะแต่ตัว c a n โนคอมพิวเตอร์ Touch จะหนากว่าและด้านหลังเป็นพลาสติกใสสามารถส่องชิ้นส่วนภายในได้จุดเด่นจริงๆของค a นโนคอมพิวเต Kit Touch หรือว่าอุปกรณ์ c a n โนอื่นๆก็คือ Canal Code หรือโปรแกรมเรียบร้อยเรียงร้อยเรียกร้อยการเขียนโค้ดที่พัฒนาโดย คานโนเองนะครคานโนเองซึ่งตัวโปรแกรมเล็กก็จะประกอบไปด้วยชุดการเรียนรู้ต่างๆนะซึ่งถือว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับมาที่ราคาบ้างคานโนคอมพิวเตอร์คิดทัชนะครราคาอยู่ที่299เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบหมื่นคือประมาณ 9,300 บาทนะครส่วนใครสนใจก็สามารถสั่งจองได้ซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มจัดส่งนะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็น ต้นไปนะครับส่วนเว็บไซต์ที่จะสั่งก็ไปสั่งที่ a เม z o n หรือว่าจะไป kano.me k, me, k a n o m e ก็ได้นะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าอยากจะไปส่งหรือไปส่ที่ตรงไหนบ้างนะครับอะวันนี้นะฮะก็ต้องมาปิดท้ายเช่นเคยนะฮะกับข้อคิดดีๆที่พี่มิงเขียนเอาไว้ในเพจมิงของช t o d a y นะฮะเป็นเพจที่เน้นให้กำลังใจให้กับ ใครต่อใครนมาดูส yeah, ิว่ามีอะไรบ้างที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเขาบอกว่าเคยเปล่าทั้งที่รู้ว่าต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างแต่ก็ยังอยากเดินเข้าไปหามันเหตุผลง่ายๆก็คือรู้ว่าถ้ามันผ่านไปได้เราจะโตขึ้นเราจะพบกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเจอปัญหาต้องเดินหน้าชนและต้องชนะมันให้ได้นะครับเพื่อที่ เราจะได้โตแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับย้าว่าเป็นมนุษย์ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะส่วนคอมม่า 4-7 กรกฎาคมนี้อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับสำหรับคอมมาจอยนะครับเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 ไม่มีใครยังไงก็มีเธอสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอนคือรักแท้จจากใจของเธอ ประกันหรือไรแน่นอนฉันเห็นทุกๆอย่างเปลี่ยนไปง่ายดายกับสิ่งหนึ่งเป็นความโชคดีที่มีเธอมาเดินข้างกายและก็ได้มีสูตรด้วยเวลาที่ยากไกลวันดีๆก็ไม่หาวันที่ทุกก็ยังอยู่จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ s i n g certain in a way that's not n ชีวิตเดินอยู่บนความพันแปรอาจเนมือนว่ายังโชคดีที่มีเธอมาคอยดวแลเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักเธอนั้นไม่จริงวันดีๆก็ไม่หาวันที่ทุกกาก